จะเห็นว่าช้นต้นมาเลยเนี่ยนะก็เกี่ยวกับเรื่องศีล น, นะเกี่ยวกับเรื่องศีลนี่ซึ่งเป็นเรื่องของกายกรรมและวจีกรรมคนที่มีกายกรรมวจีกรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีโทษเนี่ยนะก็อนนับว่าประเสริฐอยู่แล้วนะเนี่ยนะไม่มีกายกรรมที่นึกแล้วกินแหนงตัวเองเลยไม่มีวจีกรรมที่ใช้คำพูดแล้วไม่สบายใจเลยเนี่ยนะ นึกถึงคำพูดที่พูดไปทุกคำด้วยความสุจริตใจจริงๆแล้วไม่มีโทษเลยแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยนะเรียกว่าความบริสุทธิ์ทางกายและวาจาอันนั้นเป็นเรื่องของของศีล น, นะเคยเคยนึกถึงพฤติกรรมและคำพูดที่เราเคยทำมาไม่มีโทษและยิ้มได้เลยเนี่ยนะนึกได้ท่านนึกได้อย่างงันแล้วสบายใจนั่นแหละเรียกกุศลศีล เพราะว่ากุศลศีลจริงๆผลของกุศลศีลที่เรารักษาจริงๆนะต้องมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอนิสงส์ อ, อวิปปิสารอ น, นั้นเป็นปัจจัยแก่ปีติและปราโมทต่อไปปราโมทปีติปัสสัตทิสุขจนถึงสมาธิเพราะฉะนั้นศีลที่รักษาดีนั้นจึงเป็นไปเพื่อสัมมาสมาธาิก็คือหาทุกข์หาโทษ ที่ตัวเองทำเนี่ยไม่ได้เลย่งงางนั้นแบริสุทธิ์หมดจดจริงๆอันนั้นในด้านของศีลแต่ทีนี้ถ้าหากว่ากายกรรมวจีกรรมดีแล้วถ้าเกิดไปประกอบอธิจิตใช่ไหมถ้าเป็นพระภิกษุที่ท่านเห็นโทษของวะตถท่านก็จะประกอบอธิจิตและอธิปัญญาเยานะเพราะว่าศีลวิสุธทธิของท่านก็เพื่อจิตตวิสุธทธิเนี่ยนะเหมือนกับรถเจ็ดพลัดนะในัฐวินีตสูตรกล่าวไว้อย่างนั้น นะรถเจ็ดผลผลที่หนึ่งคือศีลวิสุทธิผลที่สองก็คือจิตตวิสุทธิผลัดที่สามก็คือทิฏฐิวิสุทธินะจิตตวิสุทธิเรียกว่าอาธิจิตเนะี่ยทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปเป็นอธิปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าสมาธิหรืออธิจิตอ่อนเท่าไหร่อธิปัญญาก็จะอ่อนเท่านั้นเพราะว่าปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้นะ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงนะพุทธพจน์กล่าวว่าอย่างนั้นเพราะสัมมาส ม, มาธิเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเพราะถ้าปัญญาที่ไม่มีส ม, มาธิอบรมปัญญาเหล่านั้นก็จะเป็นปัญญาที่ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากอะไรนะไม่เรียกว่าการเดินทางอะไรเนาะถ้าถ้าถ้าปัญญาทั่วไปวั น, ว, นวันหนึ่งแล้วแต่ปัญญามจะเกิดอย่างนั้นเขาเรียกว่า ไม่ได้อ บ, บรมไม่ได้เอาเป็นการเป็นงานอะไรแต่ว่านี้มาอ บ, บรมกายอ บ, บรมศีลอ บ, บรมจิตและอ บ, บรมปัญญ า, าเมื่อต้องอ บ, บรมอย่างนี้เนี่ยนะบาลีภาษาไทยจริงๆใช้ดีนะาว่าอ บ, บรมก็คือทั้งอบทั้งรมอ่ะนะหมายถึงเขาพูดถึงดัดอะไรทักอย่างนึงอะสมมตถิถ้าเอาไม้ไผ่มาดัดให้มันตรง ก, ก็ต้องไปอบไปรมก่อนสมัยก่อนเคยทำงานอยู่โรงหวาย นะเอาไว้ที่ทําเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะมาเหลาให้มันเกลี้ยงหมดแล้วก็เอาไปเข้าโรงอบเนี่ยน ะ, อ, ะอบไอน้ำมันก็ต้องความร้อนจะได้นะพออบได้ที่แล้วเนี่ยนะจึงเอามาดัดนะเอามาดัดแล้วก็ตอกตะปูจนจนเป็นเฟอร์นิเจอร์หวายมันก็จะมีพวกโค้งอ ง, ง อ, งงองมันก็ต้องเอาไปดัดก่อ น, นนะเอาไปดัดให้มันเป็นโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็ามาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกครั้งหนึ่งอันนั้นเรียกว่าอบ แต่ถ้าเป็นลูกสอนธรรมดาเนี่ยนะถ้าเาถ้าช่างไม้เขาจะทำลูกสอนเนี่ยที่บ้านน้องชายอยู่คนนึงชอบทำลูกสอนมากลูกสอนเอาไว้พวกยิง ก, กบยิงหนูยิงอะไรเนี่ยคนนี้ยิงแม่นนะเพราะฉะนั้นเขาจะชอบเลามากแล้วเขาจะไปนลนไฟลแล้วก็ดับอันนี้เรียกอารมนะทั้งอบทั้งเรียกว่าอบลมเหม น, นะก็คือทั้งอบทั้งรมขึ้นอ่ะให้แข็ง ให้แข็งแล้วจึงจะดักได้ในฐานะที่สมควรจิตของเราก็จะต้องลักษณะเดียวกันนะต้องอบต้องรมเต็มที่นั่นแหละจึงจะจึงจะเชื่องว่างนะั้นจึงจะฝึกได้ถ้าหากว่ากระบวนการอ บ, บรมอ่อนจิตเนี่ยฝึกไม่ได้นะถามว่าอะไรเป็นเครื่องอบรมจิตเนี่ยนะสีระวิสุท ธ, ธิจิตตาวิสุท ธ, ธิเป็นต้นนั่นแหละเป็นเครื่องอบรมจิตถ้าหากว่าผู้ที่อบรมจิตด้วยสมถะเป็นอย่างดีเนี่ยน้อมจิตไปเพื่อทำอภิน ญ, ญาก็ได้ นะไม่มีอะไรที่จะอบรมแล้วที่จะมีผลมากมีอนิสง์มากเท่ากับจิตเดี๋ยวนะเพราะนนั้นจิตนี้มีความสำคัญมากแล้วจิตเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยรังเกียจจิตที่เป็นบาปที่สุดเลยนะศีลดีแล้วก็นับว่าวิเศษแล้วนะถ้าโดยสังคมทั่วไปก็ยอมรับแล้วว่าคนนี้ศีลดีแต่ศีลดียังไม่พอใจต้องดีด้วยจริงๆด้วยนะใจต้องไม่เป็นไปกับกามววิตก พยาบาทวิตกและวิเหิงสาวิตกและบาปประรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแม้แต่อากุศละจิตเกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบกำจัดว่างั้นต้องรีบละรีบบรรเทาการละการบรรเทาอันนี้ใช้อะไรเป็นเครื่องบรรเทาใช้ความเพียรนยะเราคิดดูนะน่าจะใช้องค์ทำอื่นๆใช่ไน่าจะใช้สติมาเป็นตัวบรรเทาอากุศลไม่ น่าจะใช้ปัญญามาไม่ใช่น่าจะใช้ศรัทธามาบรรเทาอากุศลนั้น <c oughs> ไม่ใช่แต่เน้นวิริยะเพียรที่กำจัดบาปกำจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นอ่ะนะจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องความเพียรของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา <c oughs> มาให้เห็นว่าโหเกี่ยวกับเรื่องความเพียร น, นี้นี้มีความสัมพันธ์มากเลย ที่ที่กล่าวถึงการสมาทานความเพียรเรียกว่าเป็นวัดแต่ไม่เป็นศีลเนี่ยนะการสมาทานความเพียรเพื่อที่จะทําความเพียรในการเจริญกุศลอันนี้กล่าวถึงคนที่มีความเข้าใจในคําสอนเป็นอย่างดีแล้วนะถ้ามีความเข้าใจในคําสอนเป็นอย่างดีแล้วถ้าขาดความเพียรไม่มีผลมากถ้าหากว่าคนที่ไม่เข้าใจคําสอนเนี่ยนะขี้เกียจดีถ้าเข้าใจคําสอนนะขี้เกียจไม่ดีเพราะถ้าไม่เข้าใจจะไปทําอะไร สมมุตินะเราเราซ่อมเครื่องเครื่องยนต์กลไกไม่เป็นนะสมมติวนะ่าวิทยุเครื่องเสียงมันเสียนะไม่เป็นนะถ้ายิ่งซ่อมยิ่งเสียนะคอมพิวเตอร์เหมือนกันเนี่ยออกมาเนี่ยลองหลายครั้งแล้วไม่เป็นเนี่ยเรากดมั่วเลยนะโอ้ยรกเต็มอะไรไปหมดเลยนะี่ยิ่งเรว่ายิ่งรกหนักกว่าเกาอีกนะไม่เป็นนะเฉยๆดีมีผลมาก ว, มาวัดนี่เป็นความประพฤติเนี่ยนะอย่างศีลดศดเนี่ยพรดก็คือวัดอะ่ะสิ่งที่ต้องเข้าไปทำมันนะ อ่าอันเดียวกันคืออยู่ในจารณะหนึ่งในจารณะเพราะจารณะมีส5้าก็หนึ่งในความประพฤติด้วยเนี่ยนะจารณะส5บห้าคือหนึ่งศีลสองอินทรีสังว 3, รสามโพชเนมตันยุตาสี 4, ชาคิยานุโยกศรัทธาวิรยิยสติปัญญาแล้วฌานสี่สมาธิเนี่ยเอาฌานสี่เลยเนี่ยนะจารณะส5้าแม้การสมาทานความ <c oughs> <c oughs> ขอไปนะ แม้การสมาทานความเพียรก็เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลกล่าวคือพระมหาศัก์ทรงประคองตั้งพระไทยว่าจงเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดผลใดอันบุรุษพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกาลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษการไม่บรรลุผล น, นั้นแล้ว หยุดความเพียรเสียจักไม่มี น, นะก็คือที่ท่านสมาทานน ะ, ะวันในที่ท่านนั่งบนอัปป ร, ราชิตบาลังเนะี่ยเย็นนั้นพอนั่งปั๊บสมาทานเลยนะถ้าไม่บรรลุจะตายอยู่ตรงนี้แหละนะตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเอาชีวิตเข้าแรกเลยครั้งนี้เพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์ใดๆอย่างไรก็ตามท่านไม่ลุกเลยท่านนั่งอยู่ตรงนั้นแหละจนได้บรรลุอันนี้อิรยาบถนะแต่ว่าไม่ใช่นั่งแคใช้แล้วบรรลุเนี่ยเอามังนะ่ง ก็ทุกวันเราก็นั่งอยู่แล้วเนาะไม่ได้เป็รู้อะไรสักอย่างนั่ะมันนั่งเฉยเไม่ได้เป็นเหตุให้บรรลุแต่หมายถึงว่าอิริยาบทนั่งเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลดังนี้แม้การสมาทานความเพียรเห็นตาม น, นี้ก็เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลหรือเพิกษุประคองตั้งจิตว่าเมื่อลูกศรคือตันหาของเรายังถอนไม่ได้แล้วเราจักไม่กินจะไม่ดื่มจักไม่ออกจากวิหาร จักไม่เองข้างก็คือจักไม่นอนแม้การสมาทานความเพียรเห็นป่านนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลเนีย่ยนะตัวอย่างในพร ะ, ะพระที่ที่ประพฤติ ล, ลักษณะนี้มีหลายองค์ตัวอย่างองค์หนึ่งก็คือที่ไปบินทบาทนะไปบินทบาทกับแม่ลูกเนี่ยนะเป็นอุปถักตัวเองก็อยู่ในถ้ำเสร็จแล้วแม่ก็สั่งให้ลูกสาวเนี่ยเอาข้าว นะนะข้าวข้าวสารเก่าเนี่ยนะมาหุงใส่ใส่นมอ่ะนะใส่น้ําตาลกรวดเนี่ยอย่างดีแล้วจะได้ทําบุญนะส่วนเหลือลูกก็จะกินไปส่วนแม่ก็กินข้าวข้าวปนอะ่ะที่เอาเป็นเป็นข้าวต้มอ่ะเห็นไหมกับน้ํำส้มพระอโอ์อิ่มแล้วว่างั้นนะถ้ากลางวันก็เอาข้าวสารหักเนี่ยต้มใส่กับผักไว้ให้แม่ก็แล้วกันก็าอาหารอย่างดีไปใส่ให้พระ ทีนี้พระท่านก็ได้ยินเสียงที่ที่แม่ลูกนี่คุยกันก็บอกว่าถ้าท่านยังมีกิเลสท่านไม่ควรที่จะฉันอาหารมื้นี้ปรับกุฏิเลยวางบากรางจีวรแล้วลูกว่าถ้าไม่บรรลุตั้งอันนี้ไปไม่ฉันละแต่ว่าท่านมั่นใจเต็มที่แล้วนะ <c oughs> คิดว่าต้องยังไงก็ต้องเสร็จกันข้างหนึ่งอะ่ะก็ต้องก็บางอย่างก็ต้องแลกกันนะเพราะท่านก็เลยสมาทานความเพียรแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหรันต สายๆหน่อยก็บรรลุแล้นะแล้วก็อีกหลายองค์อ่ะที่ไปฉันอาหารมื้อหนึ่งอ่ะนะที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปจำนําลูกเอาไว้เนี่ยนะก็คือไปฝากลูกอ่ะนะแล้วก็เอาเงินไปซื้อวัวเพื่อที่จะได้มีนมเนี่ยทําบุญนี่ตอนหลังนะก็ทํามาหากินแล้วก็ไปรับจ้างเพื่อที่จะได้เงินมาไปถ่ายลูกคืนเนี่ยนะที่ไปฝากลูกไว้ใช้แรงงานแล้วเอาเงินเข้ามามาใช้ก่อนเนี่ย เงินที่ทำมาเนี่ยนะทำงานตั้งหกเดือนเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปแลกลูกในระหว่างทางเนี่ยไปเห็นพระรูปหนึ่งก็มีศรัทธาพอมีศรัทธาที่ทำงานมาเนี่ยซื้ออาหารได้ได้ได้จานเดียวว่างั้นเนี่ยเอาทั้งหมดมาซื้ออาหารถวายพระองค์นั้นฉันพอฉันเสร็จก็ถามอุบาสกเอออาหารนี่ยังไงก็คุยกันเนี่ยนะโยมนี่เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยตัวเองเนี่ยนับตังอันนี้ไปไม่ฉันอีกแล้ว ถ้าไม่อาศัยข้าวมื้อนี้ต้องบรรลุให้ได้ว่างั้นเนี่ยถ้าไม่บรรลุตั้งกันนี้ไปไม่ฉันท่านก็ไปถึงวัดแห่งหนึ่งเจริญกรรมฐานอย่างเดียวตอนหลังก็เป็นพระอรหรันต์นะอาศัยเหตุการณ์อนั้นทําให้ท่านสังเวชใจเนี่ยนะว่าถ้ายังถอนตัณหาไม่ได้ยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้จกไม่กินไม่ดื่มอีกแล้วว่างั้นเลิกฉันนะตั้งกันนี้ไปนะ <c oughs> หรือบางองค์เนี่ยก็อยู่บนหลังขอ ง, ข อ, งอุบาสกคนหนึ่งก็บรรลุทําได้เหมือนกันอย่างก็บอกว่า พระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านจาริกตายแล้วก็หิวไปไปนอนหมดแรงอยู่ใต้โคนต้นมะม่วงอะ่ะมะม่วงก็ตกลูกมาเยอะก็ตอนเย็นเนี่ยนะเก็บชันเองก็ไม่ได้ก็มีอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยผ่านมาก็เอามะม่วงเนี่ยมาคั้นทำเป็นน้ำมะม่วงถวายท่านแล้วก็แบกขึ้นหลังไปก็ พระองค์นี้ก็สอนตัวเลยเขากงไม่เด็ดทำเพราะว่าเราเป็นเยอะเป็นยากเป็นอะไรก็ไม่ใช่แต่ก็อาศัยศีลเป็นต้นเนี่ยนะสังเวชใจก็พิจารณาธรรมะก็บรรุเป็นพระอรหันต์บนหลังนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจเด็ดเดียวลักษณะนี้เนี่ยไม่ใช่มีองค์เดียวเหมือนกับกลุ่มพระพาหิยะทารุจริยะเนี่ยกลุ่มนั้นก็ขึ้นเขาขาดเลยนะขึ้นเขาขาดองค์ที่เป็นมหาเถระเป็นพระอรหันต์อนุเถระเป็นพระนาคามี ส่วนที่เหลือเนี่ยนะพระกุมารกัสสะไม่ได้บรรลุนีนะก็ก็คืออดตายพระพาหิยะก็ไม่ได้บรรลุก็ก็อดตายเหมือนกันนะแต่ว่าท่านเหล่านั้นเข้าใจแนวทางอย่างเต็มที่แล้วเขาพูดภาษาบางอย่างเขาบอกว่าบางอย่างก็ต้องแลกกันนะจึงจะได้บางอย่างก็ต้องเลี้ยงก่อนก็ต้องดูว่าศึกใกล้หรือศึกไกลถ้าพิษบางอย่างก็ต้องทุบหม้อข้าจึงจะชนะบางอย่างถ้าไม่ทุบหม้อข้าวไม่ชนะนะ นะก็บอกว่าฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยนะพอไปรบอีกประเทศหนึ่งเนี่ยเผาเรือหมดเลยแล้วก็พาทหารขึ้นไปบนยอดเขาดูสิว่างั้นท่านไม่มีทางฝอยอแล้วนะเผาเรือตัวเองหมดแล้วใช่ไหมก็เลยรบชนะเลยเขาบอกงั้นใช้แผนพระเจ้าตากนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยนะความรู้อะไรก็ไม่มีไม่รู้กําลังฝ่ายเราฝ่ายเขาไม่รู้ว่ากิเลสมันคืออะไรก็ยังไม่รู้ผลข้อปฏิบัติก็ยังไม่รู้ อันนี้ตายฟรีอนะัแพ้ตั้ง่ายยังไม่ทันรบเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ากิเลสมันคืออะไรเลยข้อปฏิบัติมันคืออะไรก็ยังไม่รู้ก็มีพิสุกลุ่มหนึ่งที่ท่านท่านสนใจมากเรื่องขึ้นเขาขาดว่า ง, งั้นรู้จักองค์หนึ่งเหมือนกันอ่าสนธนาเรื่องข้อปฏิบัติแล้วท่านไม่ได้เข้าใจเรื่องข้อปฏิบัติอะไรเท่าไหร่ <S <s เพียงแต่ว่ามีใจอย่างเดียวเท่านั้นเองเพราะถ้าอย่างนี้ครับมันจะตายฟรีแน่นอนนนะ หรือว่าแม้การสมาทานความเพียรเห็นปานนี้เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลก็คือพิสุประคองตั้งจิตว่าจิตของเราจะไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพียงใดเราจกไม่ลุกขึ้นจากอาสนะนี้เพียงนั้นจิตของเราจกยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพียงใดเราจไม่ลงจากที่จงกรมเนี่ยนะตัวอย่างนนะองค์หนึ่งบอกทันลุกแล้วนั่งแล้วไม่ลุกอีกคนหนึ่งบอกว่า จงกลมแล้วเนี่ยจะไม่เลิกเหมือนกันนี่ยจะเดินให้มันเลือดอาบจุดตรงนั้นน่ะเหมือนพระโสณะเนี่ยนะหรือจะไม่ออกจากวิหารเข้ากุฎและปิดกุฎเงียบเลยเหมือนกันจะไม่ออกจากเรือนมีหลังคาแถบเดียวจกไม่ออกจากปราสาทจะไม่ออกจากเรือนโล้นจะไม่ออกจากเพิงจกไม่ออกจากถ้าจะไม่ออกจากกุฏิจะไม่ออกจากเรือนย่อจจกไม่ออกจากป้อมจกไม่ออกจากโรงกลมจะไม่ออกจากเรือนที่มีเครื่องกั้นจกไม่ออกจากศาลาที่บํารุง จากไม่ออกจากมนดกจากไม่ออกจากโคนไม้เพียงนั้นการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลภิกษุประคองตั้งจิตว่าเวลาเช้านี่แหละเราจกนํามาจกนํามาพร้อมจักบรรลุจักถูกต้องจักทําให้แจ้งซึ่งอริยธรรมโอ้มั่นใจในวัดเช้าวันนี้ต้องได้ดีแน่โอ้มั่นใจขนาดนั้นเนาะแม้การสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีล ภิกษุประคองตั้งจิตว่าในเวลาเที่ยงนี้แหละในเวลาเย็นนี่แหละในเวลาก่อนพัฒนี่แหละในการภายหลังพัดนี่แหละในยามต้นนี้แหละในยามกลางนี้แหละในยามหลังนี้แหละในฤดูร้อนนี่แหละในวัยต้นนี้แหละในวัยกลางนี่แหละในวัยตอนหลังนี่แหละเราจักนำมาจักนำมาพร้อมจักบรรลุจักถูกต้องจักทาให้แจ้งซึ่งอริยธรรมเหมือนพระ ภาพรูปหนึ่งใช่ไหมที่สอนลูกศิษย์บรรลุเป็นภาพอรหันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตัวเองนี่ไม่ได้บรรลุอ่ะตอนหลังก็ลูกศิษย์มาให้นายนะก็ไปปฏิบัติทำว่าโอ้ย่างเรามันจะกี่วันเชียวนะนีมีมณะมากเขาสงพระไตรวิฎกด้วยเพระมหาสีวะส่งพระไตรปิฎกลูกศิษย์เยอะสอนลูกศิษย์บรรลุเป็นภาพอรหันมากนะทีนี้ท่านก็ไปปฏิบัติโอจะต้องบรรลุก่อนวันอุโบสถให้นายจะต้องเรียกว่าไปก่อนเข้าพรรษาเนี่ย เข้าพรรษานี้จะต้องกลับมาเข้าที่นี่เพราะไปปฏิบัติบตรบรลุมาแล้วมั่นใจขนาดนั้นเนี่ยนะปฏิบัติไม่ได้บรรลุอีกในพรรษานี้ต้องบรรลุให้ได้ออกพรรษาแล้วก็ไม่ได้บรรลุอีกทรงพระ泰วิโดกนะองค์เนี่ยแล้วก็ตอนหลังเนี่ย ه, เกเ็บเตียงแล้วไม่นอนทางันนี้ไปไม่นอนนะใช้อิรยาบทสามจะต้องบรรลุภายในปีนี้ให้ได้คิดอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยสาสิปีจึงได้บรรลุอะ่ะ นนวันจะได้บรรลุนเนี่ยนะร้องไห้เลยนั่งร้องไห้อยู่หัวจงกรมนั่นแหละโอ้ยใส่เราวาสนาเนาะร้องไห้ไปเทพพัทดาอยู่อีกฝั่งก็ร้องไห้บ้างไปถามอ้าวร้องไห้ทําอะไรก็บอ ก, กร้องไห้เพื่อจะได้ตักมักสองมักก็บอกก็ดูสิเขาว่าเทพพัทดายัางมาเยอะเย้ เ, เจ้าเลยสังเวชใจเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นน่ยน ะ, ะเพราะฉะนั้นอเมื่อภิกษุอบรมตนอยู่ความว่า ปรารบความเพียรมีความเพียรอย่างแรงกล้ามีความบักบันมั่นคงไม่ได้ปลงฉันทะไม่ได้ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งผู้ส่งตนไปคือตนอันภิกสุส่งไปในอรหัตผลอันเป็นประโยชน์ของตนในอริยมรรคในลักษณะในเหตุในฐานะและอาฐานะคือส่งตนไปว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ส่งตนไปว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ส่งตนไปว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาทรงตนไปว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนะปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมหรือว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะนะแล้วก็ฝ่ายปฏิโลมว่าเพราะวิชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาจึงดับไปจนถึงเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับหรือว่าท่งตนไปว่านี่ทุก นีทุกขสมู ท, ทัย น, นี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือส่งตนไปว่านี้อาสวะนี้เหต partner, ุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะหรือว่าส่งตนไปว่าเออธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกาหนดรู้ธรรมะเหล่านี้นน inta, ควรเจริญธรรมะเหล่านี้ควรทาให้แจ้งทรงตนไปในความเกิดความดับอ ส, สาทะ อาธีนวะและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งภัษายตนาหกนะนะต้องการจะออกจากอายตนะทั้งหนะนะเนี่ยนะเอไม่อยากเห็นอีกแล้วไงวันก่อนที่พูดถึงว่าไงนะอ่าพูดถึงอายตนามหาพูท ร, รูปก็คืองูใช่ไหมอสรพิษเนี่ยนะสนะรพิษสี่ตัวสร้างบ้านขึ้นหลังหนึ่งบ้านรูปเป็นงูเป็นไงนะงูจริงๆเลยนะสร้างเป็นรูปบ้านใช่สร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่ง ให้โจรมาปล้นนะพอโจรมาปล้นมายากนก็สแสดงบนบ้านนั่นแหละบนบ้านงงแล้วน่ะนะนะมายากรแสดงว่างไงแสดงเป็นรูปต้นกล้วยทําให้มันเป็นฟองน้ำเสร็จแล้วอยู่อยู่ไฟก็ไหม้ขึ้นว่าไงนะสะรารพิษก็เหมือนกับมหพูตรูปใช่ไหมขนาดตามองเห็นเนี่ยนะนะสะรารพิษคือมหาพูตรูปทําให้เกิดจกักรุปรสาทะจกักรุปรสาทะก็เหมือนกับบ้านร้าง ทีนี้อารมณ์ภายนอกก็เหมือนกับโจรจากคูวิญญาณก็เหมือนกับมายากลเนี่ยนะสังขารก็เหมือนกับต้นกล้วยเวทนาก็เหมือนกับต่อมน้ำนี่เป็นกามพบถูกไฟไหมไฟคือชาติชราพยาธิมรณะโศกปริเทวทุกทรมนัสและอุปายาตเนี่ยเผาอยนะไฟคือราคะโทสาโมหะเผาอยเอ๊มน่าอยทักแหงหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าอยู่นะ หรือว่าส่งตนไปถึงความเกิดความดับอสาธาอธีนวะและนิสรณะนะแห่งอุปาทานขันห้าหรือว่าส่งตนไปถึงความเกิดความดับนะแห่งนะอ萨ธาอธีนวะนิสรณะแห่งมหาภูตรูปสี่ส่งตนไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดานะ เรียกว่าเนี่ิกษุน์เนี่ยเขามีตนเนี่ยส่งไปแบบนี้แหละนะเพียรที่เพียรทําแบบนี้นะไม่ใช่ไปทําอย่างอื่นนะนะก็คือเพียรพิจารณาธรรมะเหล่านั้นนั่นเองอันนี้ทําให้เห็นว่าความเพียรอันนี้ที่ภาษาลิบุตรท่านนํามากล่าวในสุตตานิเทศในคัมภีร์นิเทศนะแล้วก็มากล่าวถึงในพระสูตรที่ต่อจากเมื่อคืนคือมิตตกะสันฐานสูตรนะกราวถึงความ เพียงเพื่อกำจัดบาปกำจัดอกุศลว่าถ้าหากว่าภิกษุที่ประกอบอธิจิตอยู่ประกอบอธิจิตคืออะไรคือการเจริญสมถะนั่นนะขณะที่กำลังประกอบอธิจิตหรือกำลังเจริญสมถะอยู่จิตเป็นอกุศลมาแฟกอางั้นแหละเนะอกุศลวิตกเกิดขึ้นที่ประกอบด้วยฉันทะคือที่ประกอบด้วยโลภานั่นแหละโลภะแดดวงเกิดขึ้นทันทีเลย แวบเข้ามากําลังเจริญกรรมฐานเนี่ยทำไงโทสะวับขึ้นมาเลยสองดวงโมหะวับขึ้นมาเลยสิบสองดวงยังไงยิงไม่ได้เกิดเกิดทั้งสิบสองลองเกิดสลับกันได้คือยังได้อย่างหนึ่งนั่นแหละเห็นไหมก็คือกําลังเจริญกรรมฐานเจริญเมตตาอยู่กําลังเจริญไปหาบางคนอยู่ใช่ไหมโทสะขึ้นมาตังหิตตังหิตเลยแก้ยังไงเห็นไหมกำลังเจริญกรรมฐานบางอย่างเลยนึกถึงใครบางคนเนี่ยโอโลพาเกิดเลยอย่างไง จะแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงในขณะที่กำลังประกอบอธิจิตยอยู่นั่นแหละชั้นต้นเลยพระ อ, องค์บอกว่าให้มนัสการนิมิต อ, อ, อื่นจากนิมิตนั้นอานิมิตอื่นจากนิมิตนั้นคืออะไรถ้าโลภะเกิดเนี่ยนิมิตอื่นของโลภะคืออะไรคือการเจริญอสุภะเป็นต้นเนี่ยนะสลับกันในขณะนั้นถ้าโทสะเกิดนิมิตอื่นจากโทสะคืออะไรเมตานั่นเองนะการเจริญเมตตาถ้านิมิต ถ้ากําลังเจริญเมตตาอยู่หรือกําลังเจริญกรรมฐานอยู่วิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะนิมิตอื่นคือกรุณาเป็นต้นมันก็ต้องสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ว่างั้นเถอนะเห็นไหมก็คือเปลี่ยนกรรมฐานนั่นเองในขณะที่กําลังเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อั้นการแก้วิตกอันนี้ก็คือเปลี่ยนกรรมฐานใช่เปลี่ยนกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตมันสงบจากอากุศลก่อนแล้วค่อยมาเจริญกรรมฐานเดิมเนี่ยนะซึ่งเป็นกรรมฐานที่ เหมาะกับพัทยาสายเรา <c oughs> เปลี่ยนนิมิตก็คือเปลี่ยนกรรมฐานเนี่ยนะพูดแบบสรุปสรุปอนนะอุปมาเหมือนกับอะไรเหมือนกับช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ฉลาดใช้ลิมอันเล็กตอกโยกถอนลิมอันใหญ่ออกฉะนั้นว่า ง, งั้นเนี่ยนนะะเมื่อคือนก็กล่าวไปแล้วจะเห็นว่าแม้แต่จิตที่เป็นอาคุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ให้ให้ยินดีใน ในใจที่เป็นบาปอันนั้นเลยนะให้รังเกียจจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลอย่างชอบพุทธพจน์ที่ว่าถ้าความเพลิดเพลินเป็นต้นเกิดเนี่ยนะทุกเกิดนะปุณนะอย่างเงี้ยนะยังชอบเลยอชอบเมื่อไหร่วัตรทุกเกิดขึ้นอีกนะอ่ะความความเพลินของเราเฉพาะหน้านี้เราก็เออดีนะสมมุติยกตัวอย่างนะทานอาหารกําลังอร่อยอร็ด อ, อร่อยเนี่ยนะนึกถึงคําสอนอันนี้ขึ้นนะออถ้าความเพลิดเพลินๆๆเกิดทุกเกิดนะปุณนะอออย่า ง, งี้ออทํา เพลิเพลินเป็นช um. ื่อของอะไรตันหานะถ้าตันหาเกิดไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกอะไรตันหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแกภพภพเป็นปัจจัยแก่ชาติชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมณัตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนั้นจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ไอ้ความเพลิดเพลินอันนั้นเนี่ยโห่โยนเราไปในวัฏฏทุกข์เลยนะเนี่ย อร่อยในน้อยเองเองะเนาะ ท, ทีนี้เราไม่เคยเห็นโทษอันนั้นเลยเน่นะกำลงังถ้าหากว่าสูตรเต็มเขาว่าไงนะอันนัถ้าพูดถึงอาหารเพราะว่ารสเนี่ยนะรสอันหน้าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจยั่วยวนชวนให้กำหนัดเนี่ยน ะ, ะประกอบด้วยกามชักให้ใคร่เนี่ยนะพาใจให้กำหนัดถ้าภิกษุเข้าไปเพลิดเพลินพูดถึง ดำรงอยู่ว่งงางั้นเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณนะว่งงางั้นอะไรความที่เราเข้าไปยินดีในรสอันนั้นเนี่ยนะที่ที่มันทั้งอร่อยทั้งหวานหอมไปต้นเนี่ยวัตทุกกิเลสเกิดอันนั้นเนี่ยเพราะท่านมีหน้านะพระองค์จึงสอนให้ปัจเจเวกหน่อยเนาะทางรับประทานอาหารเนี่ยปัจเจเวกมั น, นก็ยังพอที่จะหยุดหยุดได้หน่อยเนาะ ถ้าเสนาสนะเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะพี่จะนาปัจใจสีเสนาสนะเข้าห้องเรียนปัจจเวกทีกงก็อย่างนี้เห็นไหมได้สักครั้งอย่างนี้นะวันหนึ่งนะไหนนะแตะ <c oughs> ไว้หน่อยเนี่ยนะจะชน น, น้อยนหน่อยจะได้ทุกข์น้อยนหน่อยนะมีกุศลมาสลับบ้างว่างั้นอ่าถ้าหากว่ามนสิกาลนิมิตอื่นแล้วมันไม่อยู่อ่ะทําไงดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย หากว่าเมื่อพิกษุนั้นมนุิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่นะเปลี่ยนกรรมาฐานแล้วว่างั้นเถอะวิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยชันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวแสดงว่าพรวกนี้รู้อัจริยาศัยของสัตว์หมดเลยเนี่ยนะนะเปลี่ยนเรื่องคิดก่อนแล้วว่างั้นเถะดูก่อนพิสุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่านวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้เนเป็นอกุศลนะก็อกุศลก็คือไม่ฉลาดมีโทษและให้ผลเป็นความทุกข์นวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกเป็นวิบากแม้อย่างนี้ อากุศลวิตกที่กำลังตรึกอยู่นี่นะมีผลเ ป, เป็นเป็นความทุกข์อยู่ถามว่าทุกอย่างไงเนี่ยนะเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตนารกทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อาอกุศลวิตกเหล่านั้น น, น, นั่นแหละ พราะว่าถ้าอกุศลจิตเกิดขึ้นไม่ก็เรียกว่าเป็นเป็นอันตรายเป็นอันตรายนะว่างั้นเป็นอันตรายภายในว่างั้นดูนะว่าเกิดขึ้นนั้นมันอันตรายยังไงบ้างก็บอกว่าอันตรายปกปิดนั้นเป็นชะไหนก็คือท่านกล่าวถึงภิกษุที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดอันตรายอันตรายที่เปิดเผยแล้วก็อันตรายปรากฏกับอันตรายปกปิดอันตรายปรากฏนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะพวกรถชนอุบัติเหตุทั้งหลายแหละเป็นต้นนั่นแหละ ส่วนอันตรายปกปิดเป็นไงคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกามมะฉันทานิวรพยาปาทานิวรนทีณมิทะนิวรอุทจักกุกุจานิวรวิจิกิชานิวรนะทุจริต3ก็เป็นอันตรายที่ปกปิดนิวร5ก็เป็นอันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะแล้วก็อุปกิเลส16กเนี่ยนะก็คือราคะโทสะโมหะเนี่ยนะ ความโกรธความผูกโกรธไว้ลบลูคุณท่านความตีเสมอริษยาตณีมานยาโออวดหัวเ ด, ด, ดื้อแข็งดีถือตัวดูหมิ่นท่านมัวเมาประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอะกุสลาพิสังขารทั้งปวงอันตรายเหล่านี้เรียกว่าอันตรายปกปิดนขณะที่จิตเกิดขึ้นที่ชื่อว่าอันตรายเนี่ยเพราะอาจว่าอะไรจึงชื่อว่าอันตราย ความหมายจริงๆของอันตรายเนี่ยเป็นยังไงว่างั้นก็บอกว่าชื่อว่าอันตรายเพราะอาดว่าครอบงำในยะที่หนึ่งนะคำว่าอันตรายคือครอบงำเชื่อว่าอันตรายเพราะอาจว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมสิ่งเหล่านั้นเพราะอันตรายเพราะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมนั่นเองเชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าอันตรายเพราะครอบงำนี้เป็นอย่างไรว่างั้นบอกว่าอันตรายเหล่านั้นย่อมครอบงำปราบปราม ปราปรามขมขี่ท่วมทับกำจัดย่ำยีบุคคล น, นั้นเพราะอาจว่าครอบงำชื่อว่าอันตรายอย่างนี้ขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยมันครอบงำย่ำยีสภาพจิตที่เป็นกุศลเกิดอย่างมากมาย <c oughs> เพราะอาจว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงชื่อว่าอันตรายเนี่ยเป็นอย่างไรอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่อ อ, อันตรทานแห่งปุศลธรรมทั้งหลาย นะขณะที่อากุศลวิตกหรืออากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะกุศลธรรมนี่อันตรธานหายเกลี้ยงหมดเลยเหือดแห้งไปหมดเลยนะธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่อความอันตรธานไปแห่งกุศลธรรมเหล่านั้อันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อม เพื่ออันตรายแห่งกุศลธรรมเหล่านี้คือความปฏิบัติตามสมควรเนี่ยนะอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมสมควรแก่แก่ทำใช่ไหมความปฏิบัติไม่เป็นค่าศึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ทำเ น, นี่ยนะอกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยธรรมะเหล่านั้นเนี่ยอันตรธานไปหมดเลยทำความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย เนี่ยนะอกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยทำให้ศีลทั้งหลายเนี่ยไม่บริบูรณ์เรานึกถึงนะถ้าเป็นพระภิกษุนเนี่ยถ้าจิตที่เป็นบาปเป็นอากุศลเกิดขึ้นเนี่ยนะเสื่อมจากพระวินัยปิฎกสอ0 0มพระธรรมขันธ์ทันทีเลยขณะนั้นเนี่ยนะถามว่ากุศลธรรมเป็นทรัพย์ใช่ไหมใช่นะพระวินัยปิฎกทั้งหมดที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยนะก็เป็นอริยทรัพย์นะถ้าจิตเป็นไปกับกุศลธรรมเหล่านั้นก็ก็เป็นไปเพื่อความเจริญ ถ้ า, ากุศลจิตเกิดขึ้นในขนาดนั้นเสื่อมทันทีเลยสองห0นึ่งพันก็ทำมาขันห่างจากพระพุทธเจ้าสองห0นึ่งพันองค์ทันทีเลยถ้าหากว่าอากุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายก็หมดไปนะขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดนะกุศลศีลอินทรีสังวรเนี่ยไม่มีแล้วความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะก็หมดไป ความประกอบเ น, อเนืองในความเป็นผู้ตื่นก็หมดไปสติสัมปชัญญะก็หมดไปการประกอบเ น, อเนืองในการเจริญสติประธานสสัมมาประธานสี่อิทิบาทสี่อินทรี่ห้าพละห้า 5, โพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองคปดอันตรทานเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรทานไปแห่งกุศลธรรมเหล่านี้ในอันตรายอันนี้เนี่ยเสียหายมากมายเลยนะถ้าพูดสับเราก็คือ ถ้าจิตเป็นอกุศลเกิดเสื่อมจากพระสุตตันตปิฎกหมดเกลี้ยงเล ย, เลยนะคำสอนทีขนิกายสามสิบสี่สูตรไม่เหลือในใจแม้แต่คำเดียวเลยนะเ น, นีเ่นะที่ท่าน่านาเ น, นี่เนะจริญพรเจริญน อ, อยู่ในจารณนะเจนิญพรใช่แล้วถ้าอากุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะเสียหายขนาดไหนคิดดูได้ เสียหายจากพระสุตันตะปิดกหมดเนี่ยนะอภิธรรมปิดกเนี่ยนะไม่มีเลยถามว่ากุศลเนี่ยเสียหายเหล่านั้นเนี่ยนะในอภิธรรมกล่าวถึงโลภะโทสะจริงแต่ถามว่าคำสอนเพื่อให้เกิดโลภะใช่ไหมไม่ใช่เป็นคำสอนเพื่อให้เกิดโทสะใช่ไหมไม่ใช่สอนเรื่องโมหะแต่เพื่อกำจัดโมหะหมอเรียนเรื่องโรคเพื่อเพื่อเพาะโรคหรือว่าไงไม่ใช่นะเพื่อที่จะ ทำลายโรคอันนะคัมพีที่กล่าวถึงเรื่องบาปเรื่องอกุศลก็เพื่อที่จะทําลายโรคและสมุดฐานของโรคนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าอากุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะอันตรายทําให้ปไตยปิดก8 000, 000, ปดหมสี่พันพระธรรมอาขันเนี่ยหายเกลี้ยงไปจากใจในขณะนั้นเลยเนาะอันตรธานหมดเกลี้ยงเลยนะเหลือแต่บาปบริสุทธิ์ขณะนั้นไม่มีกุศลพระณเจตสิกเจือแม่แต่ชิ้นเดียวเลยในนั้นเหนะ เพราะนั้นความเสียหายเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะมองไม่เห็น mm. นะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากพระพุทธเจ้านี่มีคุณมากมายมหาศาลเมื่อจิตเราเป็นไปกับบาปอกุศลเนี่ยนะเราห่างจากพระพุทธเจ้าหมดเลยเห็นไะหห่างจากอรหังก็ห่างสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจารณะสัมปัโนห่างท่านหมดเลยห่างจากพระธรรมคุณเมื่อกี้เนี่ยนะพระไตรปิฎกแปดหมื่นี่พันระธรรมขันธ์ก็คือธรรมคุณนั่นเองนะสวากาโตพระวะตาธรรมโม ใจเรานี่ห่างจากคำสอนเหล่านั้นหมดแล้วแล้วในขณะที่จิตเป็นอกุศลเนี่ยนะห่างจากภาษาริบุตรด้วยห่างจากพระโมคคัลลานะพระมหากัะสปะพระอนนท์พระศรีติมหาสาวกห่างท่านหมดเลยเหนะถ้าสาวกผู้ชายก็ห่างพระสาวกผู้หญิงก็ห่างหงหมดเลยนะเหลือแต่เราใกล้ๆอยู่หลายใกล้ใครบ้างใกล้พระเทวทัตมั้ง <c oughs> ไกลนางกินจะมานาวิการอย่างเงี้ยไก่พระโกกาลิกาเงโอ้โหเขอาอกุศลเนี่ยมันใกล้ต่ออกุศลนะกุศลก็จะใกล้ต่อกุศลไอจิตเราเป็นอากุศลเนี่ยห่างภาษาสดาเพียงใดห่างพระธรรมเพียงใดห่างพระสงฆ์เพียงใดห่างจากกุศลธรรมเพียงใดยย่มงงันไกลาจากคําสอนเพียงใดเนี่ย น, นะอเราอีกอย่างหนึ่งนะสาตว์ทั้งหลายไม่เคยคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าขณะที่จิตเป็นอากุศลเนี่ยเรา เสียทรัพย์ขนาดไหนนะ่ะทรัพย์คือศรัทธาทั้งหมดในคําสอนเหล่านั้นทั้งหมดอันตรธานไปแล้วนะถ้าเป็นทรัพย์ภายนอกเนี่ยนะอาจจะเสียไปสักพันสองพันมันก็ยังมีส่วนอื่นเหลือใช่ไหมยังพอมีเหลืออวันนี้จ่ายเกินไปพันหนึ่งโอ้เสียหายมากเลยตั้งพันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าอากุศลมันเกิดนะกุศลอันตรธานวัดทันทีเลยนะไม่มีไปแช่ว่าโอ้โหเสียไปพันหนึ่งยังเหลืออีกสองพั 2, 000, นอย่างเงี้ยไม่มี เสียทีเดียวเสียหมดเลยมันก็เหมือนถ้ากุศลแลจิตเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกโอ้เสียหายเหมือนกับกขาบอกว่าจักรพัฒถ์ถูกถอดบัลลังบางท่านก็บอกว่านั่นน้อยไปก็บอกเหมือนเอาไฟหย่อนไปในบ่อ น, น้ํามันก็กงั้นพรุ่เดียวหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยนะมันโลภะเป็นไฟโทสะเป็นภัยโมหะเป็นไฟเนี่ยนะกุศลธรรมขนานั้นไม่มีเหลือเนี่ยนะทรัพย์คือศรัทธาก็หมดไปทรัพย์คือศีลในขณะนั้นก็หมดไปทรัพย์คือ สุตะทรัพย์คือจาคะรัพย์คือปัญญาทรัพย์คือฮิริโอตะ ป, ปะไม่มีเหลือแม่แต่ชิ้นเดียวในขณะที่จิตเป็นไปกับอกุศลในขณะ น, น, นั้นเนี่ยนะโอ้เสียหายจริงๆเลยนะห่างและอย่างหนึ่งเนี่ยนะอะถ้าเฉพาะแค่นั้นนะชีวิตเราถ้าเฉพาะแค่นั้นก็ไม่เป็นไรแต่สังสารวัฏเนี่ยยาวเหลือเกินอเมื่อยาวเนี่ยนะอุปนิสัยที่สะสมมาที่ไม่เคยทําเนี่ยมีไหมเว้น เว้นก็เรีกว่าที่ที่ไม่เคยเกิดคือสุดทาวารวัดแล้วงั้นเถอะมักที่ก็เรียกกรรมที่ไม่เคยทําก็คือมักกรรมที่เหลือทําหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกยิยธรรมเมื่อทํามาหมดเนี่ยพร้อมที่จะให้อุปนิสัยที่จริงอกุโสรจิตมีไม่เยอะนะเมื่อเทียบกับโสพนะจิตใช่ไหมโสพนะจิตเยอะแยะแต่ว่ามาอาศัยเกิดบ่อยอะ่ะก็ขยันก็ว่า โลระนี่ขยันเกิดเพราะฉะนั้นไอ้สัที่สะสมมาในอดีตนี่นะมันได้เชื้อของเก่าก็ให้มาของใหม่ก็ทำใหม่ไปอีกท่นสังสรารวัตก็เลยไปเรื่อยทีนี้การไปในสงสารนั้นนะ่ะถ้าเป็นสายตาเราธรรมดาเราจะมองถึงความว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปยืนอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้ามองเนี่ย น, นะจะเห็นว่าน่ากลัวจริงๆ ในคัมภีร์มหานิเทศเนี่ยนะท่านกล่าวถึงทุกโดยนิยะต่างๆเนี่ยนะท่านกล่าวจนโอ้โหอ้มเห็นทุกจริงๆเหมือนนเด้อหรือกล่าวถึงในพระมหากรุณาสมาบัติยานของพระองค์เนี่ยนะพระมหากรุณาสมาบัติยานเนี่ยภาลนาทุกของสัตว์ได้อย่างละเอียดละอเลยโอ้โหนเนี่ยสัตว์เนี่ยทุกมากมายขนาดนี้เลยนะเราลองไปนึ ก, น, กนึกตามท่านดูเนี่ยนะโอ้โหเช่น โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักออ่มเป็นธาตุของตันหาโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนโลกไม่เป็นใหญ่จะพาะตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอย่างเงี้ยนะคอยไล่ตามนะว่เข้าของท่านว่าหมดเลยเนี่ยโอ้โหเราเนี่ยทุกขนาดนี้เลยนะแต่ว่าอากุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็อไม่เป็นไรผ่านไปก่อนทำงานก็นแสดงว่าถ้าไฟไหม้บ้านอ่าให้ไหม้ไปก่อนหมดต่หลังหนึ่งแล้ว เขาบอกว่าอันตรายนี่นะเพราะอาจว่าชื่อว่าอันตรายเนี่เพราะอาจว่าเป็นที่อยู่แห่งอากุศลธรรมหลางหลายชื่อว่าอันตรายอากุศลธรรมอลามกเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นย่อมอยู่ในอาศัยในอัตภาพเปรียบเหมือนเหล่าสัตว์ที่อาศัยรูย่อมอยู่ในรูที่อาศัยน้ําย่อมอยู่ในน้ําที่อาศัยป่าย่อมอยู่ในป่าที่อาศัยต้นไม้ย่อมอยู่ที่ต้นไม้ชั้นใด อกุศลธรรมอลามกล่าวนั้นย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นย่อมเป็นธรรมชาติอยู่อาศัยในอัตภาพฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะอาจว่าเป็นที่อยู่อาศัยของอกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าอันตรายอย่างนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดวยว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมอยู่ลําบาก ไม่ผาสุกเออยู่กับอาจารย์ก็ไม่ดีนะอยู่กับลูกเิษยก็ไม่ดีว่างั้นดูการพิสูนทั้งหลายก็ภิสษุอยู่ร่วมกับอันเตวาสิกผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมอยู่ลำบากไม่ผาสุกอย่างไรดูการพิสูจนทั้งหลายอากุศลธรรมอลามกมีความดำริอันซ่านไปในอารมณ์อันเกื้อกูลแกสังโยตอารมณะปัจจัยที่เกื้อกูลแกสังโยตสิบเนี่ยนะ ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักสุอย่านะัอาศัยสีเนี่ยนะสังโยติสิบเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะอ๋อนี่แค่เราว่าอันตรายมากมากอาุศลธรรมอลามกเหล่านั้นย่อมสร้างไปภายในของภิกษุเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่ร่วมกับอันเตวาสิก อกุศลธรรมอลามกเหล่านั้นย่อมกลุ่มรุมภิกษุนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์นะคืออารมณ์นั้นก็เกื้อกูลแก่สังโยชน์อันนี้เรียกอยู่ร่วมการอเทวาสิกใช่ไหมอกุศลธรรมก็เล่นงานต่อไปอีกอันนี้เรียกอยู่ร่วมกับอาจารย์ <c oughs> อีกประการหนึ่งอกุศลธรรมอลามกมีความดำริซ่านไปในอารมณ์อันเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดแก่ภิกษุเพราะได้ยินเสียงด้วยหูเพราะสูดดมกลิ่นด้วยจมูกเพราะ ลิมรสด้วยลิ้นเพราะถูกต้องโพธิภพด้วยกายเพราะรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจอกุศลธรรมอัลามกเหล่านั้นย่อมซ่านไปในภายในแห่งพิกษุนั้นเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงเรียกพิสูุนั้นว่าผู้อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกอกุศลธรรมอัลามกเหล่านั้นย่อมกลุ้มรุมพิกษุนั้นเพราะเหตุดังนี้นั้นท่านจึงเรียกพิสูุนั้นว่าผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์ ดูควาพิสูจนทั้งหลายพิสูจนที่อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมอยู่ลําบากไม่พาสุกอย่างนี้แหลอาจารย์คืออะไรอกุศลอันเตวาสิกก็คืออักุศนเห็นไหมแล้ว ใ, นะในอารมณ์อารมณ์หนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่พิจารณาเนี่ยสังโยชิสิบทันทีเลยนะีที่ในอายตนาบพะนะเพิ่งรู้จกักจักสูใช่ไหมเพิ่งรู้จกักรูปเพิ่งรู้จักสังโยนที่อาศัยจักสูในรูปนี่แหละ สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยทำไมมันจึงเกิดสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยเอ๊ะตรงนี้รู้ยากยังไม่เคยละได้เลยอไแล้วก็ต้องมันทบทวนอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วก็พิจารณาเห็นสังโยชน์แบบนี้นะเป็นภายในบ้างเป็น ภายนอกบ้างทั้งภายในและภายนอกพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นของสังโยชน์อันนี้บ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมของสังโยชน์อันนี้บ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสือ่อม น, นะก็คือปัจจัยใดยทําให้สังโยชนั้นแหละเรีว่าความเกิดของสังโยชน์ธรรมะอะไรเป็นเหตุละสังโยชนะนะ์นั้นแหละเรียกว่าความเสื่อมของสังโยชน์เห็นนะแล้วก็พิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะ มีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรกําจัดอภิชาและโทมนัตในโล ก, กว่างันมีสตินะสัมปชัญญะปัญญานะสติคือสติแล้วนะสัมปชัญญะคือปัญญาอาตาปีคือความเพียรแล้วก็อะไรตัวหนึ่งนะวินยะโลเกคําว่าวินยะโลเกเป็นชื่อของสัมมาสมาธิตัวกําจัดบาปจริงๆคือสัมมาสมาธิะเนี่ยนะ สัมมาสมาธิเนี่ยคือวินัยะโลเกกัมจัดอภิชาและโทมณัตในโลกแต่ที่จริงก็พร้อมกันนั่นแหละสมจริงดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมะสามประการนี้เป็นมนทินภายในมนทินแปลว่าอะไรคือเนี่ยนะผ้าเปื่อนมนทินอย่างเงี้ยก็คือผ้าที่มันเศร้าหมองอ่ะนะ มนทินก็คือความเศร้าหมองความเศร้าหมองภายในเป็นอมิตภายในมิตนี่มีทั้งปาประมิตและอะมิตเนี่ยนะปาปมิตอมิตอันเดียวกันเลยนะก็คือไม่ใช่มิตเหมือนกันเถอะไม่ใช่มิตแต่มาในคราบของมิตอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นศัตรูภายในเป็นค่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในธรรมะสามประการเป็นไห โลภะเป็นมนทินในภายในเป็นอัมิตรในภายในเป็นข้าศึกในภายในเป็นเพชฌฆาตในภายในเป็นศัตรูในภายในคิดดูนะโลภะเกิดเนี่ยเราเสื่อมอะไรจากเมื่อกี้ไปได้ใช่ไหมเอาเนี่ยถ้าโลภะเกิดเป็นทานบารมีไหมไม่เป็นศีลบาร ม, มีเป็นเนคคัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขามีสักอย่างไว้ในนั้นไม่มีเลยนะบารมีสิบเป็นโลภะไม่มีแม้แต่ข้อเดียว แล้วอุปบารมีสิทานอุปบารมีศีละอุปบารมีเนคขัมมะอุปบารมีปัญญาอุปบารมีมีสักอย่างไหมอุปบารมีทั้งสิบไม่มีสักข้อเลยนาะปรมัธาปารมีะฐานะปรมัธาปารมีศีลปรมัธาปารมีจนถึงบารมีไม่มีแม้แต่ข้อเดียวอยู่ในนั้นเลยเนาะโอ้แล้วใครจะดับทุกข์ได้เนาะเพราะอะไรเพราะบารมีเนี่ยเป็นธรรมะที่แสวงหานิพพานเป็นธรรมะที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเพราะโลภะเกิดไม่ใช่บารมีก็ทําให้ถึงไหน โลภะเกิดให้ถึงวัตถทุกอะโทสะเป็นมนทินในภายในเป็นอา mith ในภายในเป็นฆาสศึกในภายในเป็นเพชฌฆาตในภายในเป็นศัตรูในภายในไอโทสะเกิดเนี่ยทานกนะุศลเนี่ยนะบุญเกีรยรติวัตถุมีไหมทานน้ไม่ไม่มีศีละไม่ไม่มีภาวนามายัยไม่มีอปัญญานามัยนอบนอ้อมอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเกินเนี่ยโทสะเกิดไม่มีเห็นไหม วิ ย, ยาณว่าจะมาไปช่วยเหลือหมามีกับทำลายอีกนะตรงก็ข้ามกับบุญกิริยาวัตถุสิบหมดเลยปฏิทานน้ำไม้โทสะเกิดขึ้นแลอุทิศส่วนกุศลให้ใครได้ไหมไม่ได้อนุโมทนาได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะแสดงธรรมได้ไหมไม่ได้ฟังธํามไม่ได้ทิฏฐิชุกรคำโทสะเกิดไม่ใช่บุญกิริยาวัตถุสักข้อเดียวเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเพชจฌฆาดเป็นศัตรูเป็นข่าศึกเป็นมนทินเป็นอมิตร ทําลายเราทุกอย่างเลยนะแต่มันมีฉันท่าเกิดร่วมด้วยนะฉันทาทิปฏิไงชันทาทิปฏิฉันท่าสัมปยุตกานางธรรมานางตังสมุทฐานานันจะรูปานังอธิปฏิ ป, ฏปัจเยนะปจโยชันท่พอไอ้ชันท่ามันเกิดขึ้นมันพาอย่างอื่นเกิดหมดนะเนีมันพาโทสะพาอะไรพาอุทจจะพาอย่างอื่นเกิดแล้วไม่อยู่แค่นั้นพาอะไรอีกจิตตะเชลุก สัมปยุตตะการนังด้วยนะเจตสิกที่ประกอบด้วยแล้วก็รูปที่มีอกุศลอันนั้นเป็นสมุทฐานโกรธแล้วมไม่อยู่แต่กับใจเฉยๆแล้วมันอยากให้คนอื่นรู้อ่ะฉันโกรธแล้วนะ <S <S <ๆ>ใหม่ๆก็บอกว่าฉันกําลังเครียดนะนะไม่สบายใจแล้วนะแต่ถ้าโกรธแรงขึ้นแรงขึ้นเนะี่ะก็ตามแต่กําลังอันนั้นแหละนั่นะ โมหะเป็นมนทินในภายในเป็นอามิตรในภายในเป็นฆ้าศึกในภายในเป็นเพชะฆาตในภายในเป็นศัตรูในภายในโมหะเกิดขึ้นเนี่ยมองเห็นว่าโอ้โหนี้ทุกขาริยสัตว์มีไหมมีทักอย่างนี้ทุกขสมุทัยอริยสัตว์มีนี้นิโรธอริยสัตว์นี้นิโรธาพามินีปฏิปทาอริยสัตว์ไม่มีนี้ขันโอ้หายเงียบเลยนะโมหะเกิดเนี่ยมีขันทุกอย่างนี้ธาตุนี้อายตนะ นี่สัจจานะนี่เอ็นซีโอนี่อวิชชาเป็นปัจจัยแกับสังขารสังขารเป็นปัจจัยกับวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยกับนามรูปไม่มีเลยนะในขณะนั้นโอ้ทาลายเราขนาดนั้นนะตั้งแต่เกิดร่วมกันมานานแล้วนะก็ว่าเอ๊ะยั ง, ยงไงยังไงก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็ว่าไงก็มีมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งไงนะเพราก็โอยผัวก็ทั้งขี้เหล้าทั้งการพ น, นันทั้งอะไรสารพัดเนี่ย น, นะเอ้าก็คุณอยู่ก็ไปทำอะไรอะ่ะเอาก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วก็ว่าไง อยู่ต่อไปกันแล้วกันก็คืออากุศลธรรมเหมือนกั น, นมันเกิดขึ้นเนี่ยพาความเสียหายมาตั้งมากมายแต่ก็ยอมเหมือนกันคือที่ที่ปัญหาอยู่ทุกวันมากก็คือสําคัญที่สุดก็คือเรายอมจำนนั้นเองเนี่ยนะนะยอมจำนนต่อบาปต่ออกุศลที่เราจำนนต่ออกุศลเนี่ยเพราะขาดอะไรหรือไม่วิริเยนะทุกขมัตเจติว่าไงสัตว์ทั้งหลายจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร แต่เราคิดว่าเอ้ยมันคงไม่ไปไหนหรอกมั้งนะยินดีเลยใจยินดีในบาปนะก็เลยที่ไม่พ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าเราไม่มีแรงไม่ใช่ว่าไม่มีบารมีหรอกบารมีเราเนี่ยสร้างมาสังสารวัตเนี่ยพระพุทธเจ้าผ่านมากี่แสนโกดองแล้วอ่ะแสดงว่าเราก็ต้องทํามาไม่น้อยเหมือนกันแต่ที่บารมีเราน้อยเพราะเราไม่คิดจะทำมันเนี่ยนะไม่คิดจะต่อเชื้อเก่าเลยนะอ้าวใครรู้ว่าใครไม่เคยสร้างบารมีมารู้ไหม คิดนะว่าชายคนหนึ่งเนี่ยนะเข้าเป็นจันทานนะ่ะขอทานกินนะ่ะเป็นพระโพธิสัตว์นะจนองคุลิมานไล่ถือดาบจะไปฆ่าคนนั่นก็จะเป็นพระอรหันตนะ์นะนะ่หหรือแม้กระทั่งหญิงานางปตาจาราร้องให้ฟูมไฟเป็นบ้านะ่อาอาติสุดท้ายนะั่นะนะ่ะของเราเนี่อย่าไปาไปดูถูกนะเจ้าสารการนี้ขี้เหล่าเมายาแอนตอนหลังก็ได้บรรลุเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ประมาทตัวอย่างสามารถทําที่สุดแห่งทุกได้นะถ้าไม่ดูถูกปัญญาของเราเกินไปเนี่ยนะถ้าคือที่ที่เราไม่สามารถพ้นทุกได้เพราะเราไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาพระพอที่จะกำจัดอสัธยะความไม่มีศรัทธาได้ไม่มีสตินซีเนี่ยนะสัตตินซีพอที่จะกำจัดความไม่มีศรัทธาได้เราไม่มีอินซีพอที่จริงไม่ใช่บารมีเราไม่พอแล้ว ของเก่ามาดีแล้วละ่ะเนี่ยนะถ้าทุนมาน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์ง่ายๆนะถ้าทุนมาน้อยก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมง่ายๆเหมือนกัน น, นะแสดงว่าของเดิมมาไม่ใช่ธรรมดานะแปลว่าทุนเดิมมาสูงมากแต่ปัญหาว่าไม่ค่อยต่อยอดเลยนะดูการพิสูจน์ทั้งหลายธรรมสามประการนี่แลเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็น ข้าศึกภายในเป็นเพชขาตภายในเป็นศัตรูภายในพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นได้ตรัตวยากรณาพาสิทธินี้จบลงแล้วได้ตรัตคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดนะนะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะถ้าใช้คําว่าประโยชน์มีอะไรบ้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะ ประโยชน์เหล่านี้ไม่เกิดแม้แต่อย่างเดียวประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อ อ, อริยมรรคอริยผลก็ไม่เกิดว่า ง, งั้นโลภะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโลภะยังจิตให้กำเริบโลภะเป็นภัยที่เกิดขึ้นในภายในภาลชนย่อมไม่รู้สึกในภัยนั้นเนนะคนโลภย่อมไม่รู้อัตถะคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมะความโลภครอบงานรชนในขณะใด ความมืดเตื้อย่อมมีในขณะนั้นโทสะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโทสะยังจิตให้กำเริบโทสะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในภารชนย่อมไม่รู้สึกภัยนั้นคนโกโรธย่อมไม่รู้อัตถะคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมะความโกรธครอบงำนรชนในขณะใดความมืดเตื้อย่อมมีในขณะนั้นโมหะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิด โมหะยังจิตให้กำเริบโมหะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในภารชนย่อมไม่รู้สึกภัยนั้นคนหลงย่อมไม่รู้อัดคนหลงย่อมไม่เห็นธรรมความหลงย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมือเตอร์ย่อมมีในขณะนั้นเนี่ยนะจำคาถานี้ก็ดีนะเวลาโลภะเกิดท่องเลยทันทีเลย มาสวดโลภะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโลภะยังจิตให้กำเริบโลภะเป็นภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะว่าสักสิบครั้งเนี่ยยีครั้งร้อยครั้งพันครั้งแสนครั้งก็เป็นไรไปเนาะไม่เสียงานเท่าไหร่หรือมั้งเนี่ยนะขนาที่คิดถึงธรรมะอย่างนี้เสียงานไหมไม่น่าเสียเท่าไหร่นะโลภะเกิดที่จะเสียงานไหมวะโทสะเกิดก็เหมือนกันโทสะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กำเริบโทสะเกิดยังจิตให้กำเริบเหมือนั้นโทสะเป็นภัยที่เกิดขึ้นในภายในพานชนย่อมไม่รู้สึกในภายนั้น คนโกรธย่อมไม่รู้อาจคนโกรธย่อมไม่เห็นทำในะขณะที่กําลังนึกถึงคำสอนนี้อยู่ก็คงไม่เสียเวลากโกรธมากนักเนาะไม่เสียงานเท่าไหร่หรอกมันะ้งเนาะพยายามน่าจะจำได้ทะดีนะคาถานี้น่าจะจํามั้งน <C ười> เพราะฉะนั้นเพราะอาจว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายจึงชื่อว่าอันตรายอย่างนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าโอ้ภาษาริบตรเนี่ยท่านตัดต่อเรื่องตัดต่อพระสูตรมาให้เห็นเนี่ยเยอะนะ ดูก่อนมหาบพิธธรรมะสามประการนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความไม่ผาสุขธรรมะสามประการเป็นฉนได้แก่ธรรมะคือโลภะแลเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความไม่ผาสุข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 เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขศาสดาครั้นตรัสวยากรณะภาสิตนี้จบแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นในตนย่อมกำจัดบุรุษผู้มีจิตหลามกคือจิตเป็นบาปเนี่ยนะเหมือนขุยไผ่กำจัดไม้ไผ่ฉะนั้นนะขุยไผ่นี่เกิดขึ้นมานี่แสดงว่าเป็นนิมิตแห่งความตายของไม้ไผ่ ลูกกล้วยเนี่ยนะวันนี้เดินเดี๋ยวไปเออตอ้ลูกกล้วยมันออกเยอะเลยแสดงว่าแก่และผู้ ก, การให้ลูกน้องไปตัดแม่เงนิ น, น, นต้นกล้วยที่มันออกนะเพราะนักกล้วยที่ออกลูกเนี่ยนะก็เพื่อฆ่าต้นมาอัสดรเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อฆ่าแม่โทสะโลภะโมหะเกิดขึ้นก็เพื่อฆ่าจิตอันนั้นเนี่ยทำลายเนยนะ เพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นอาคุศนซะอย่างเนี่ยผวังก็ชื่อว่าไม่สํารวมด้วยนะถือว่าปล่อยเป็นคนที่ประมาทพระองค์บอกว่าคนประมาทก็คือคนที่ตายแล้วขณะนั้นเราก็คือคนตายเดินได้ดงนั้นคนที่ยังมีกิเลสอยู่นะในสายตาของพระธรรมก็คือคนที่ปล่อยกลิ่นเหม็นออกตลอดเวลาเลยนะนะท่านท่านรังเกียจมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อสามตัวนั่นแหละเป็นเหตุแห่งสังสารทุกข์เนี่ยนะ คือคือท่านไม่ได้มองชีวิตอยู่แค่นี้หรอกท่านมองยาวมากเมื่ออกุศลเกิดขึ้นปุ๊บท่านคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะความวิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่อกุศลธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วนะคือตัวเข้าเองให้ผลเป็นทุกข์ด้วยและกําจัดกุศลธรรมที่เป็นเหตุแห่งความสุขด้วยแล้วบอกว่าสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุ เหตุของโลภะโทสะก็คืออัตภาพนี้แหละเกิดแต่อัตภาพนี้ไม่ยินดีกุศลยินดีแต่นากามคุณทำให้ขนลุกวิตกทางใจตั้งขึ้นแต่อัตภาพนี้แล้วผูกจิตไว้เหมือนพวกเด็กผูกกาไวผูกกาไวที่ข้อเท้าฉะนั้นก็คือเอากาเนี่ยนะมามัดเท้าแล้วก็ไปไหนก็ไปไม่ได้นะ พันชีวิตของสัตว์ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวพันกับวัตถุกรรมใช่ไหมเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสและโปรตาาีวัตถุกรรมเป็นอา ร, รมณะปัจจัยของกิเลสกรรมเวัตถุกรรมปริญญาสามกิเลสกรมรมปะหานะห้ากิจคนละอย่างนะนี่เราไปเห็นดอกไม้งามแล้วเที่ยวเด็ดทิ้งให้หมดเลยจะได้ไม่มีโลภะนี้หรือเปล่า ไม่ใช่นะวัตถุนั้นเป็นอารมณะปัจจัยของปริญญาสยาตะปริญญาตีรณปริญญาปะหานะปริญญาส่วนกิเลสกรรมปะหานะทะทั้งห้าแต่ทางข้าปะหานวิคัมพะนาปะหานสมุเทเฉทาปะหานปฏิปสัสสติปะหานและนิสรณะปะหานนั่นคือกิจของเขาเนี่ยนะเพราะว่าวัตถุการมเป็นทุกขสั์กิเลสการมเป็นสมุทัยศักเนีย่ยนะทำกิจให้ถูกเนาะ <c oughs> แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องจิตที่ไปยินดีกับบาปอากุศลเนี่ยนะก็ให้พิจารณาถึงโทษของจิตว่าเมื่ออกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะกุศลธรรมไม่เกิดอกุศลวิตกเกิดขึ้นอันนั้นเป็นกิเลสกามอารมณ์ที่จิตคิดเป็นวัตถุกรรมกรมทั้งหลายถ้าผู้มีประภาคอุปมาเหมือนกับ ร่างกระดูกว่างั้นเถอะอุปมาเหมือนกับอะไรชิ้นเนื้อะเป็นที่ยื้อแย่งของของสัตว์เนี่ยนะเขาก็บอกว่าที่เหมือนชิ้นเนื้อก็คื อ, อมีนกตัวหนึ่งไปคาบเนื้อมาได้ก้อนหนะึงบินขึ้นมาปะานกตัวอื่นมองอา้าวได้เนื้อมาเนี่ยเชียวไปเลยเอาไม่ปล่อยไม่ปล่อยเตะ น, ะนะนกก็นกตีกันเนี่ยนะบินตีกันก็มีน ะ, ะเสร็จแล้วไม่รู้่啊 มันไม่ใช่ตัวเดียวไอ้ตัวอื่นมาเห็นอีกอ่านนี้คาบเนื้อมาเนี่ยช่วยกันสี่ห้านั้นตัวใดคาบตัวนั้นไม่มีเวลาไปไต่กับคนอื่นใช่ไหมประมวแต่คาบเนื้อยองเสร็จแล้วพอมันสบักสบอมเต็มที่ก็ขายคนอื่นคาบต่อไปตัวอื่นก็ตัวไหนที่คาบออกไปตัวอื่นก็มารุมนย่ไงไปเรื่อยการทั้งหลายก็ลักษณะนั้นแหละนะวัตถุ ก, การ ทั้งหลายเป็นลักษณะนั้นเน่ยบ้านช่องห้องหอเรือกสวนไร่นาก็แย่งกว่าจะได้มาเนพอได้มาอีกคนอื่นมาแย่งต่ไปอีกก็เป็นลักษณะนี้อยู่กับใครคนนั้นน่ยสับักสับอมที่สุด น, น, นะน่ะเป็นงัว อ, อยู่แต่ไม่ขุดนะนนอนะไรทีนี้ต่อไปว่าการทั้งหลายเหมือนไงเหมือนกับคบเพลิงอะ่ะคบเพลิงเนี่ยนะถ้าใครออกมาเนี่ยจำได้สมัยเด็กๆ เ, เ, เนี่ย คือที่บ้านไม่มีไฟฟ้ามีอะไรทุกอย่างใช้ลําปอลําทั้งนี้ <c oughs> แล้วก็มามัดมัดมดแล้วก็จุดไฟเนี่ยนะเวลาเดินทางทีนี้ถ้าถือทวนลมอะ่ะมันจะไอ้สเก็ดไฟนี่มันก็จะกระเด็นมามามาเขาบอกว่าเหมือนคบเพลิงเหมือนกามทั้งหลายเหมือนคบเพลิงอะ่ะใครถือว่ามันจะมไหม้มาเรื่อยเรื่อถือทวนลมเ น, มนมี่มันจะไหม้มันจะไหม้มือเ น, นืต้องรีบปล่อยถ้าไม่ปล่อยไหม้แน่เขาก ง, งาั้นกามทั้งหลายเหมือนคบเพลิงกามทั้งหลายเหมือนกับ หลุมฐานเพลิงว่า ง, งันโอ้ยัยงจําได้ครั้งหนึ่งนะเราจําได้ถึงความทุกข์ครั้งหนึ่งอนะ่ะก่อสร้างสลาหลังหนึ่งเอ้ยกำลังนึกถึงอู้มันใช้ทุนเท่าไหร่เนี่ยแล้วใ ช, ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยสร้างเสร็จนะอย่างเงี้ย น, นึกมันโอ้หอกุศนมันเกิดเนี่ยนะโทสะมันเกิดมันเครียดแบบไม่ได้โกรธใครหรอกแมันเครียดขึ้นมาใชยๆโอ้โหหลุมฐานเพลิงจริงๆโอ้กังวลเนี่ยนะแล้วทีนี้พออัก เรารู้แล้วอกุณสนเกิดแล้ทีนี้เราก็ทําให้เจริญกรุณาชาวบ้านบอกทั้งนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่เขเป็นลักษณะนี้เออเราก็สั่งขึ้นอนะนึกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นทั้งนั้นเอันนั้นว่าโอ้เราร้อนจริงๆนะสมมุติถ้ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับวัตถุที่จะต้องทําเนี่ยนะเป็นกิจกรรมที่เร่าร้อนที่สุดถ้ายิ่งผลประโยชน์ที่จะต้องไปวางไว้กับคนอื่นด้วยนี่เนี่ยทุกจริงๆ <c oughs> ว่าท่านเคยรับราชการนะแล้วท่านเป็นบุคคลที่มีความสามารถเป็นที่ไว้เนื้อวางใจของผู้กำัชานะแล้วท่านจะได้รับมอบงานแต่งานใหญ่ๆงานที่สาคัญยิ่งโตขึ้นนะจากภ้ารการผู้น้อยเป็นข้ารการผู้ใหญ่ขึ้นงานก็จะใหญ่ขึ้นยากขึ้นนะครับและเมื่อรับมาแล้วนะครับนะ ก็เป็นที่อิจฉาของคน ร, รอบๆนะว่ามานี่เธอได้รับงานใหญ่มอเป็นลูกมอของเจ้านายนะครับทุกคนก็มองดูว่าเราจะทำสำเร็จไหมเจ้านายก็ไว้วางใจเราว่าไอ้มอนี่คงจะต้องทำสำเร็จเพื่อจะจะทำให้ท่านเองมีชื่อเสียงนะครับนั่นหละครับงานแต่ละงานรับมานะครับโอ้โหมันสร้างความกดดันนะ สร้างความกดดันกังวลใจมากทุกงานผมยังนึกในใจนะโอ้โหเมื่อไหร่เราจะออกจากราชการสักทีผมนึกอยู่เรื่อยเลยครับครั้งสุดท้ายลาออกมานีคนนึกไม่ถึงเลยเผมรับริการนี่จเจริญมากเลยรวดเร็วมากเลยผมนำรุ่นมาในรั้วกัวคนี่ผมมาดับหนึ่งในสิบได้พันเอกพิเศษก่อนเพื่อนเลยแล้วได้พันเอกพิเศษ เกือบเต็มขั้นแล้วที่ผมเล่าทุกคนแปลกใจที่ทำ ม, มัมเร า, เาวะ่ะแต่ผมผมทราบซึ่งนะว่างานที่ผ่านมาแต่ละงานนั้นนะครับโอ้โหมันสร้างมันสร้างความกดดันเรานี่มากจริงๆนี่ก็ขอโทษนะที่ต้องเอาเรื่องตัวเองมาเล่าเนี่ยนะเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาเรื่องอื่นๆนะผมเข้าใจครับเพียงแค่สาลาวันนะท่านยังนอนไม่หลับหระคิดเลยครับนะแล้วถ้าเกิดว่างานใหญ่ๆโอ้โหเขามอบหมายนี่นะครับ ไม่ใช่ความสุขเลยนะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเของเราแค่สัมผัสหน่อยๆเ น, นี่ยนะก็ยังร้อนขนาดนั้นเลยเพราะงั้นแล้วคนอื่นที่เขาหรือว่าอาจจะอยู่นานเนี่นะอะไรนึกไม่ค่อยนึกร้อนเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ก็เชื่อเหลือกเกินว่านะเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ว่าคนที่เป็นโรคกูทังเนี่ยนะถึงเวลาเขาได้รับความสุขบ้างต่อเมื่อไปอย่างไฟ ถามว่าเขาสุขจริงเขาไม่ทุกหรือไงทุกแต่ว่ามันก็มีความสุกบ้างอะนะเวล า, ย, าย่างไฟร้อนๆนะเกาแคกๆๆๆๆมันสุกลิ้มกันมันมันดีนะเคยเป็นแผลหรือเปล่านะเป็นฝีนะเป็นฝีแล้วเกาค้างๆมันมันลิ้มกันถามว่าอก็มีความสุขเจือบ้างหน่อยๆการทั้งหลายก็เล่าร้อนแบบนั้นแหะไม่ว่ายุคใดการใดเป็นกับใครก็ตามเขาก็ทุกลักษณะนั้นแหละเพียงแต่ว่าเขาต้องการสลัดออกหรือไม่ แต่ว่าผู้ที่ศึกษาคําสอนก็ประสงค์ที่จะสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นนะนะก็คือบางอย่างของามาเนี่ยคิดคิดเองเลยนะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องเห็นคนก็ตกลุมประฐานเพลงเนี่ยนะคงไม่ต้องลองแอ้มั้งนะคงท่านลองคิดดูนะท่านลองคิดดูนะว่าถ้าท่านลาสิกขาออกไปนะเป็นพลเรือนนะท่านลองคิดเล่นเล่นดูนะ แล้วเราจะต้องเริ่มการทำมาหากินเราจะต้องมีครอบครัวเราจะต้องมีบ้านมีอาชีพท่านลองคี้แค่นี้นะลงกี้คแค่นี้เท่านั้นนะครับเราจะทำยังไงนะครับม่ามันน่าดูแล้วเครียดคงจะเครียดน่าดูเลยครับหลวงพ่อชาท่านบอกว่าครอบกับครัวเขาว่างไงเก็บอกว่า ครอบเนี่ยก็ครอบกับกันอย่างเอาปี๊บมาครอบนี่ก็อึดอัดเต็มที่แล้นะแล้วไปครอบไว้ในครัวแค่คิดนะครับมียังไม่ยังไม่ลงมือเลยเลยนะครับแค่คิดเท่านั้ น, นเพราะว่าอากุศลเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นมันก็ทุกตั้งแต่เริ่มสแสวงหาแนละ้วแล้วอันนี้คือทุกแบบโทรศันนะแล้วทุกอย่างเอินที่ติดตามมา เมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะเกี่ยวข้องด้วยจิตทั้งนั้นเลยเมื่อเกี่ยวข้องด้วยจิตนี้ถามว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆด้วยจิตชนิดใดทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องมีสังวรวินัยมีปหานวินัยในนั้นไหมถ้าไม่มีก็คือความเป็นปุตุชนที่ที่สมบูรณ์แบบเป็นปุตุชนที่ที่น่าเจริญกรุณาให้มากๆได้เลยว่า แผ่นดินในแผ่นดินกับฝุ่นเนี่ยนะอันไหนมากกว่ากันยังไงแผ่นดินกับฝุ่นเนี่ยไหนมากกว่ากันอัน้นสัตว์ที่ไปอับายก็จะมากเท่านั้นแหละแต่ยิ่งเราเราเห็นสัตว์ ร, รอบข้างเนี่ยนะถ้าสังเกตว่าในพื้นที่หนึ่งตารางเม็ดเนี่ยนะสัตว์เป็นร้อยๆตัว เ, เป็นล้านล้านตัวเลยนะหนึ่งตารางเมตรเนี่ยอันทํายังไงเราที่จะพ้นจากภัยเหล่านั้น ถ้าหากว่าไม่พ้นถ้าเจริญกุศลธรรมไม่ถึงระดับพ้นไม่ได้แ น, น, น่นอนะก็ต้องไปสู่ภัยอนนั้นอีกถึงว่าจะไม่ได้รับชาตินี้ใช่ไหมชาติหน้าลนะ่ะแต่จริงชาตินี้ถึงจะรับวิบากอ น, นันต์ก็ไม่กี่ปีเพราะมนุษย์ยุคนี้อายุสั้นเห็นไหมแต่ว่าหลังจากชาตินี้ไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไนะเพราะไม่ได้มีแค่ชาติหน้าชาติเดียวด้วยนะถ้าชาติหน้าข้อ ย, อยังชั่วหน่อยสมมุติว่าอาแก้ปัญหาชีวิตตายแล้ว ไปสู่สุคติอ่ะแล้วก็นับว่า ด, ดีแล้ะเก่งและแต่ถ้าไปหลังจากนั้นไปทําอะไรอีกเมื่อไปสู่สุคติถ้าสุคติเป็นมนุษย์อ่ะชาติน่าจะทํากรรมอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าไปเกิดเป็นเทพเราจะไปฟังธรรมหรือจะไปเที่ยวกํากลังคิดดูนะขนาดเป็นมนุษย์เนี่ยนะกามก็ไม่ได้วิจิตอะไรเลยนะที่จะไปฟังธรรมกับไปเที่ยวเราจะคิดว่าไปเที่ยวก่อนฟังธรรมเอาไวท้ทีหลังเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นเทพเราโอ๊ย ญาติญาติเก่าๆเนี่ยชวนกันไปดูดอกไม้ก็หมดวันหนึ่งแล้วเนาะพ้นเลยเนยเหมือนโคสกะเทพระบุรหรือปะเลิมทานอาหารเลยอ่ะ <c oughs> ตายเลยด <c oughs> ังนั้นอากุศลวิตกเนี่ยมีโทษมากมากจริงๆอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสม้นั่นแหละอลองคิดดูว่าถ้าเราเกิดมาใหม่นะสมมติว่าแมมโชคดีมากเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องไปลงนรกเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ ต่อไปนี้นะัเกเรียนสมัยนี้เรียนหนักกว่าสมัยเรามากนะเราต้องยอมรับนะนักเรียนสมัยนี้เนี่ยนะกว่าจะไปเอ็นได้เนี่ยนะกว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้เนี่ยยากกว่าสมัยเรามากเชื่อผมเละแล้วลการแข่งขันเข้มข้นกว่านี้มากก็นั่น น, น, น, นั่นหมายความว่ามีเงินส่งเรียนแล้วนะ <c oughs> ถา้าเป็นหมอนะ <c oughs> ก็ต <formation> okay. mm ้องมีตำรามากกว่าโบราณนะกว่าหมอหมอปัจจุบันนี่นะเราดูนะครับนะไอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หมอช้นี่เยอะแยะข้อมูลมากมายเนี่ยนะเราถ้าเราไม่ศึกษานะเราก็ล้าหลังมากกว่าตะกอนเยอะนะครับเนี่ยาใครเกิดยกหน้าเนี่ยนะความรู้สึกของเอามาเองเนี่ยไม่ต่างจากอบายนะถึงเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยนะเพราะว่า เราเราเทียบในสังคมทั่วไปน ะ, ะนับว่าเกิดมาเนี่ยน ะ, ะบ้านอยู่เนี่ยกว่ายากแล้วนะอันหนึ่งนะสมมติว่าพ่อแม่แต่ละคนกว่าจะสร้างบ้านได้ให้ให้ลูกอยู่เนี่ยเขช่วงที่กำลังมีลูกก็คือช่วงกำลังสร้างบ้านนั่นแหละจะอยู่สภาพแบบไห น, นแล้วก็กว่าจะส่งลูกเรียนอีกนะันะ้แล้วลูกจะมี ม, มีมีพ่อแม่ที่มีฐานะพอที่จะส่งเรียนหรือเปล่ า, านนะั้ แล้วเรียนมันก็ไม่ได้มีเรียนชั้นเดียวถ้าพ่อแม่มีฐานะมากเขาอยากให้เราเรียนต่ำๆไหมอยากจะส่งให้ถึงที่สุดนั่นแหละโอแล้วทีนี้ตรงนั้นเนี่ยนะเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากนะักหรอกของมากําลังนึกว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอารมมณะปัจจัยเหล่านั้นแล้วเราทํากรรมอะไรบ้างเนี่ยนะเมื่อเราไปเห็นสีเราไม่มีสังวรอยู่ในนั้นเลยสังโยติสิบเกิด ไปได้ยินเสียงก็สังโยชนิสิบได้ดมกลิ่นก็สังโยชนิสิบสังโยชน์เกิดทุกๆอา ร, รมณ์ปัจจัยที่เข้าไปเกี่ยวข้องนึกถึงว่าที่สุดแห่งชีวิตเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเนไหมกำลังนึกว่า โ, โหแล้วคือนึกถึงว่าเฉพาะชาตินี้เองเนี่ยเราก็สร้างตรา บ, บาปไม่ใช่น้อ ย, อยเลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกิเลสสายอวิชามันก็เกิดตลอดแล้วที่สุดแห่งทุกขเนี่ยอยู่ที่ไหนเห็นไหม บอกนึกถึงเปรตสี่ตัวนะที่ทีกระอสัตว์นรกสี่ตัวรองทุสะนสาโศนะบอกโอ้ยสหายเอ้ย <c oughs> กำลังชีวิตเราได้ชั่วแล้วเนาะ <c oughs> ที่มาม า, มาสวบ่ายแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ยท่านไม่ต้องถามหาหรอกว่ามันจะพ้นที่ไหนกันว่าอีกคนหนึ่งก็บอกโอต่อไปเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์นะจะเป็นคู่ที่รู้ความประสงค์ของผู้ขอกำลังกันยังง คือถ้าหากว่าเราจเจริญสังเวเขาวัตถุมากๆจะทําให้เห็นภายในอบายด้วยและกรรมสกตาเราจะเกิดมากขึ้นว่าที่จะทำมาเวทนิยกรรมนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วแล้วอุปชาเวทนียกรรมแหละแล้วอัปราปริยะเวทนิยกรรมสังสารวัฏเราไม่ได้เพิ่งเกิดชาติเดียวใช่ไหมกรรมที่ทําไว้วิจิตพิสดารมากใครจะรู้ว่าภาวะเศรษฐีตายแล้วไปเกิดเป็นนายวีชากะกถาดเด่นนะ ใครจะรู้ว่าคนฆ่าโคตายไปเกิดเป็นเสนาบดียังไงใครจะรู้ว่าพระราชาตายแล้วไปอาวจีไงหรือใครจะรู้ว่าสัตว์ตัวหนึ่งตายมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ซึ่งมันพบน้อยพบใหญ่นะจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเราคิดดูแต่ละวันแต่ละวันนี่เราคิดจากความคิดหนึ่งสู่ความคิดหนึ่งจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งงั้นการเปลี่ยนพบก็คล้ายๆลักษณะนั้ น, นก็คือเหมือนกับเปลี่ยนความคิด เพียงแต่ว่าถ้าเปลี่ยนพบเปลี่ยนวัตถุที่รองรับเท่านั้นเองถ้าถ้าเราอยู่อย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนแต่อารมณ์ไม่เปลี่ยนวัตถุถ้าเปลี่ยนชาติก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนวัตถุด้วยเปลี่ยนอารมณ์ด้วยนะก็คือการเปลี่ยนวัตถุเท่านั้นเองนะจากคือเรียกว่าจุติเรียกการเคลื่อนจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งแต่ทีนี้ว่ากรรมใดที่จะให้ผลนําเกิดแล้วนึกถึงนึกถึงอย่างหนึ่งก็คือจําได้ตอนที่เราไปยิงสัตดเนี่ยนะถามว่า ถ้าถามว่าอาศัยจากคัมภีในจกักรวติสูตรกล่าวว่าสัตว์ในยุคต่อๆไปเนี่ยนะจะขาดความกรุณามนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยจะขาดความกรุณาต่อกันเหมือนพรานในพรานเนี่ยไปล่านกล่าเนื้อล่าปลาเป็นต้นเนี่ยนะจะไม่มีกรุณาต่อกันและกันเออจะต่อคนหาปลากรุณาปลาไหมเออตัวนี้สงสารนะเอาไว้ก่อนตัวนี้ไม่เอาสงสารเห็นใจเหลือเกินเงี้ยไม่มีความรู้สึกชันใดก็ว่ากัน มนุษย์ในยุคต่อๆไปก็จะลักษณะนั้นมีแต่คิดแต่จะแข่งจะฆ่ากันอย่างเดียวดังคําว่ากุศลเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินไม่ต้องพูดถึงคําว่าการเจริญกุศลด้วยในยุคต่อๆไปนะซึ่งโลกมันจะต้องเสื่อมไปเรื่อย ๆ, ๆนะตามจากักรวติสูตรกล่าวไว้อย่างนั้นทีนี้เราก็นึกถึงว่าโอ้ชีวิตเราตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยนะที่ไปทําอกุศลเนี่ยปาณาติบาต ท, ที่จริงถามว่าเราชอบทํำไหมโดยอัธยาสัยไม่ชอบทํา ไม่ไม่ชอบทำปาณาติบาตแต่ก็เพราะเหตุแห่งความเป็นอยู่นี่ใช่ไหมก็เป็นเหตุให้เราต้องทําทีนี้ในตอนที่ทําเนี่ยนึกถึงว่าการุณาเจตสิกมันเกิดขึ้นในระหว่างเนี่ยมีไหมเรามาทบทวนดูเลยนะไม่มีเลยดีโอ้ดีใจวันไหนได้มากดีใจมากวันไหนไม่ได้เนี่ยโอ้ยิ้มไม่ออกเลยนะเหือดแห้งยิ้มไม่ค่อยออกเลยวันไหนหาปลาไม่ได้เนี่ยยิ้มไม่ค่อยออกเลยทีนี้เราก็ทําให้นึกว่าโอ้แล้ว ชาวนะที่เราสะสมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ใช่สะสมแนวความคิดอันนี้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวแน่สะสมแนวความคิดแบบนี้มากมายมหาศาลเราจึงทําได้ขนาดนั้นนึกถึงนะตอนที่เราทุบหัวปลาไม่เนยรู้สึกกรุณาเลยสมมติว่าเห็นปลานีนกําลังสมมุติคนเลี้ยงปลาในตู้กระจกใช่ไหมเขาเห็นปลาแล้วเข้าสงสารใช่ไหมของเราเนี่ยเอามีดอะไรไงเอาฉมวกนะชับเข้าไปไม่รู้สึกสงสารเลยรู้สึกดีใจด้วยซ้ําไป อนี่เฉพาะของชาตินี้อถ้าบุญเราดีนักทําไมเราต้องมาเกิดยุคนี้โหยุคพระพุทธเจ้าบอตังดีนะพระอารหันต์ก็ตังเยอะแยะทําไมไ้เกิดมาเกิดทําอะไรยุคนี้นะกว่าจะศึกษาธรรมะแต่ละอย่างเข้าใจยากแล้วก็ถามใครก็ถามยากะถามยากไม่พอจําก็ยังยากขนาดได้ข้อมูลโหนี้ดีๆทั้งนั้นเลยแต่ละสูตรจํายังจําไม่ได้อกีกจําได้แล้วยังคิดตามไม่ถู ก, อ, กอีกโห อุปสรรคเยอะแล้วเกินอย่างนั้นเถะแล้วะสะสมความคิดอันนี้มากๆเนี่ยที่จริงในโลกนี้ไม่มีใครทําลายเราได้ครับเห็นไหมเหล็กไม่มีอะไรทำหรอกนอกจากสนิมที่อยู่ในเหล็กนั่นแหละจะทําลายเหล็กชั้นได้บางอันจิตของเราทั้งหลายไม่มีใครทําลายนอกจากบาปนอกจากอากุศลนอกจากโลภะโทสะโมหะที่พระองค์ตรัสเหมือนเม่อกี้นี่แหละมันเป็นตัวทําลายความคิดเราทุกอย่างเลยนะ ทำลายกุศลธรรมทำลายศรัทธาทำลายสติหิริโอต ป, ปะเห็นไหมว่าศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยนะสามารถที่จะตามระลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคในความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นอกุศลธรรมมันเกิดเนี่ยมันทำลายศรัทธาตัวนั้นทิ้งหมดเลยอากุศลธรรมเกิดขึ้นทำลายสติเห็นไหมจริงแล้วถ้าสติเนี่ยก็คือระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดไว้ได้แม่นานแล้วเหมือนพระานนท์เนี่ยเอตทะคะด้านสติก็คือท่านจํา พระไตรปิฎกได้เยอะจําคําสอนได้มากอะนั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเอธทักษะในด้านสติทีนี้ของเราก็อ่านมามันจําไม่ค่อยได้เนีย่ยอ่านเรียกว่าหัวเรื่องกับท้ายเรื่องก็จําไม่ได้แล้วใช่ไหมหัวสูตรกับท้ายสูตรจําไม่ได้โอ้แสดงว่าสะสมมาเนี่ยอ่อนมากอนุภาพของจิตนั้นอ่อนมากอั้นถ้าเราไม่รีบข้ามทุกแน่วางนั้นแย่แน่วางนั้นออกมาเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่า <c oughs> ครั้งนี้ถ้า หากข้ามไม่พ้นนะทุกแน่แบอกป่วยกล่าวไปยายกับพวกผมอป่วยกล่าวไปยายกับบรรดาพวกผมนี่นั่งหน้ากันอนอย่างเงี้ยแต่แต่เขามาเชื่ออย่างหนึ่งนะไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นเท่าไหร่นะคือคิดในลักษณะว่าคนอื่นเขามีบุญมาเยอะนะเขาเลยไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรมากนะักเขามาัเงิ น, นคิดอย่างนั้นอองง น, นะ คือคือเขาเย็นนแล้วเกินอะเขาย็่นแล้วเกินไอ้ใช่จํานึกภาพคนทั้งหมู่บ้านเราเลยนะตอนตอนที่วันหนึ่งที่มาอตอนนั้นอะปวดปวดละเป็นเนนมันกําลังหอบบาดนะสพายบาดหิวกดอะไรเนี่ยกําลังนึกถึงแล้วมองภาพหมู่บ้านทั้งตํา ครั้งโมบ้านซึ่งมันมีสามสี่โมบ้านแถวนั้นนะ่ะโอ้โหเขาไม่มีใครร้อนสักคนเลยเว้ยเนี่ยเรามาร้อนอยู่คนเดียวอะ่ะมาร้อนอยู่คนเดียวเพรา ง, งั้นเรตั้งกันนั้นมาก็เลยไม่ไม่ค่อยคิดให้คนอื่นเท่าไหร่เพราะว่ามีหลายคนที่เราคิดให้ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเขาน่าจะเร่งรีบกว่านี้น่าจะทํากุศลมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยนะแม้กระทั่งผู้มีพระคุณเราก็ไม่สามารถช่วยได้คือคือแนะนําได้ไม่เท่าไหร่ อ่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะของมาก็เลยเจริญว่าคนสงสัยเขาไม่ร้อนกันนะหรือเขามีบุญเยอะกันเขาจึงสบายอยู่ได้แต่เราเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเราเนี่ยจะทําบุญเนียนะคือถ้าบุญเยอะไม่น่าจะมาเกิดเป็นแบบเนี้ยความ <c oughs> ความสามารถน่าจะมากกว่านี้ถ้าเทียบไปทั่วๆไปแล้วนะน่าจะมากกว่านี้น่าจะเกิดในตระกูลหรือได้รับอะไรที่มันง่ายๆกว่านี้หน่อย แต่นี้แต่ละอย่างเราไม่ใช่ได้ได้ง่า ย, ายๆเลยเห็นไหมสำนวนเขาว่าคนอิสานนะเขามีเขามีไอ้ตำรานวะนะนารลักษ์อ่ะบางอ่านนะคำขามก็บอกคนอีสานเนี่ยจะมีไอ้จมูกมันบุบเข้าไปเนี่ยนะมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความทุกข์อย่างหนึ่งเขาบอกงั้นอ่าคือมันเป็นเงาแห่งอ่ะนะพูดถึงว่าเออเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์นะเขาก็เขาก็วิจารณ์มาในลักษณะนั้นเออเราก็ใช่เออใช่คือนี่เราก็มาคิดดูเออเราทุกข์อยู่แล้วอ่ะ่างเี้ย เรากำลังทุกทำอะไรเนี่ยก็ปรารบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์ชาตินี้ไหมมีประโยชน์ชาติหน้ามีประโยชน์อย่างยิ่งหรือเปล่าหรือว่าที่สุดของการกระทำของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็มาวิจัยให้หมดเลยนะเอา่บบนี้ถ้าคิดเป็นอากุศลเราก็นึกถึงคำสอนไปก่อนสลับกันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยนะเพราะว่ายังชอบพุพทธพจน่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร พมหาชนกท่านบอกว่าทะเลก็อยู่อย่างนั้นของทะเลนั่นแหละแต่ท่านมีใจที่จะไหว้ข้ามาคือไม่ว่า้ทำไงอ่ะจะปล่อยให้ตายเหรอแต่ท่านทําประโยชน์ให้ผมเยอะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวนี้ผม <c oughs> ผมเข้าใจว่ารู้สึกในเรื่องศิกขาต่างๆมีการฝึกเป็นคือฝึกเป็นอ่ะแค่เป็นเท่านั้นนะครับบางครัง้งบางคราวฝึกเป็นน ะ, จะเจริญเป็นน ะ, จะเจริญเป็นหรือว่ากําหนดกําหนดได้บ้างซึ่งก็ ท่านก็ช่วยผมเยอะนะพอเป็นไม่สวนเปล่านะครับ <laughs> วันนี้ผมขับรถมาแล้วผมปรึกในเรื่องกรรมสกตาปัญญาผมเห็นหมดเลยว่าถ้าผมประโยคาวิบัติตอนนี้เนี่ยนะฮะแม้แต่เสาไฟฟ้าก็ทำให้ผมได้รับกรรมได้รถสวนมาถ้าผมประโยคาวิบัติไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะเ ป, ปเป็นได้หมดลัวข้างๆถนนไฮเวย์นี่นะก็พร้อมที่จะฆ่าผมได้ หรือห้ผมบาดเจ็บได้อันนี้เนี่ยผมเห็นมากแล้วเพราะผมระแวงมากเลยระวังการขับรถระวังขึ้นโดยอัตโนมัติครับ น, นะใจเย็นลงโดยอัตโนมัติความคือโอตปะนะฮะมันมีขึ้นมาเองเลยโดยที่<ช>ไม่ต้องมีใครมาบอกเลยใช่ก็ น, กนึกนึกถึงชีวิตเราเนี่ยนะขนาดว่าเรามาอยู่เพศนักบวชเนี่ยพระองค์อืนท่านอาจจะมีบุญเนี่ยนะมีคนดูแลมาตลอดอะไรเง แต่เราไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมอ่าที่เรียกว่าใช้ใช้กำลังตลอดเลยนะใช้กําลังตลอดและความรู้เราก็ไม่ได้มีคนปรุงสูตรสําเร็จให้กินด้วยเห็นไหมเราก็ต้องขวนขวายมันทุกเรื่องเลยก็บอกว่าเดินเนี่ยนะตอนเนี่ยเดินทางจนจ น, จนไม่คิดจะเดินห่อคือที่ไม่คิดจะเดินคือเพราะเราไม่รู้จะไปหาใครเห็นไหมตอนอ่าเมื่อก่อนเนี่ยเราสแสวงหาที่เรียนที่ศึกษาเนี่ยนะ เราเออถ้าจะไปวัดนั้นเนี่ยคงจะมีคนสนทนาทําด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไปตลอดตลอดเนี่ยนะแสวงหาผู้รู้แสวงกว่าจะได้เนี่ยนะอย่างวัดจากแดงเนี่ยไปหาจารย์เนี่ยไปไปสนทนากับท่านรองเท้าไม่ใสใช่ไหมันก็เหยียบฟุตบาทถนนร้อนๆเนี่ยแล้วโบกรถกว่าจะได้แต่ละครั้งตายเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยคือตอนหลังเนี่ยไม่ไม่ค่อยสนุกละล้วก็ไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปปีเดียวเนี่ยไปเกือบสิบปีอะ ตลอดตลอดไปแต่ละแห่งแต่ละแห่งนะแล้วหนังสือกว่าจะอ่านแต่ละกว่าจะได้อ่านแต่ละเล่มก็ไม่ใช่ของง่ายนะักวัดที่มีหนังสือเขาก็ไม่ได้เกื้อกูลต่อการอ่าน <c oughs> นะวัดที่อ่านบางวัดก็ไม่มีหนังสือจะอ่านยังไงนะนะเพราะว่าในในชั้นต้นที่ที่บวชเข้ามาก็คือเริ่มตั้งแต่หาหนังสือก่อนว่าหนังสือมันอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยว่าหนังสืออะไรบ้างนะนะเพียงแคได้ยินชื่อว่าพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยเหมือนกับฝันฝันนะนะบางวันก็ต้อง ไปไปยืมอีกวัดหนึ่งซึ่งมันประมาณสักสิบกิโลเนี่ยใบต่ายย่ามาอ่านก็ยังดีนะมันไม่ไม่ใช่ของง่ายมันแต่ละอย่างหลายๆเรื่องเรานี่ต้องใช้สำนวนเรีวยว่าใช้เลือดและน้ำตาเข้าแลกหมดเลยนะ <c oughs> ันถ้าหากว่าเราประมาทเนี่ยนะครั้งนี้ก้าวไม่พ้นเนี่ยทุกแน่ <c oughs> ยอมรับชะตากรรมเลยว่า <c oughs> ถ่าํำนวนโจรว่าครกดีมติดตัวเยอะเหลือเกิน <c oughs> <c oughs>